ประเด็นที่สามพระสมัยก่อนก็ให้ของขลังวัตถุมงคลพระสมัยนี้ก็ให้ต่างกันอย่างไรและสะรุปแล้วคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักหรือไสยศาสตร์เป็นหลักเรื่องการทำของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้แก่ชาวบ้านหลายท่านพิจารณาแล้วก็บอกว่าพระเก่าๆสมัยก่อนก็เป็นเหมือนกันนี่ท่านก็ให้เหมือนกันก็เลยต้องขอโอกาสพูดว่าไม่เหมือนกันพระสมัยเก่าของเราก็มีการให้ของขลังเหมือนกันมีพระที่เรานับถือว่าศักดิ์สิทธิ์อาจจะเรียกว่าเก่งทางศยศาสตร์ก็ได้ท่านมีเวทมนต์อะไรต่างๆแต่ความนับถือสมัยก่อน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 หลายท่านรู้จักพระคุณแผนวัดบ้านกลางหลวงพ่อวัดบ้านกลางที่ผมจะเล่านี้เป็นอุปชาตอนกระผมบวชเนนถ้าท่านอยู่บัดนี้ก็อายุเกินร้อยไปแล้วแต่ท่านถึงมรณภา้าไปแล้วเมื่ออายุประมาณ90สบปีท่านเป็นที่นับถืออย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้ที่คลังมากชาวบ้านมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจถูกผีเข้าถูกทาคุณใสก็มาหาท่าน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 ทำมาหากินอย่างไรอยู่ร่วมกันอย่างไรสอนลูกศิษย์ฝ่ายพระสงฆ์ว่าควรจะตั้งตนอยู่ในธรรมวินัยอย่างไรสิ่งที่ท่านทําก็คือการสอนธรรมะแต่เวลามีชาวบ้านหรือลูกศิษย์คนไหนเกิดเหตุร้ายผีเข้าถูกทําคุณใสยอย่างที่ว่าเมื่อกี้มาหาท่านท่านก็ทําให้เฉพาะตัวเฉพาะรายแก้ไขบําบัดปัดเป่า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 จะย้ายถิ่นฐานไปทำมาหาเลี้ยงชีพถ้าเป็นคนดีท่านพิจารณาแล้วท่านก็เรียกมาเฉพาะตัวแล้วก็บอกว่าเธอนะเป็นคนดีตอนนี้เธอจะไปอยู่ในถิ่นฐานอื่นฉันจะให้ของดีไว้คุ้มครองเอานะพระองค์นี้เอาไปรักษาไว้แล้วขอให้ประพฤติตัวให้ดีตั้งใจขยันหมั่นเพียรทำมาหากินโดยสุจริต ดำเนินชีวิตอยู่ในศีลในธรรมจงทำความดีอย่างนี้อย่างนี้อย่าทำความชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นกํากับศีลธรรมไปเสร็จของดีนั้นเมื่อลูกศิษย์รับไปแล้วก็เก็บไว้เป็นของสาคัญเพราะอุปชาอาจารย์ให้มาเก็บรักษาไว้อย่างดีจนกระทั่งถึงรุ่นลูกตัวเองแก่แล้วหรือลูกโตแล้วก็มอบให้ลูกแล้วก็จะกากับและกาชับแบบเดียวกัน เช่นว่าพระนี้อุปชาของพ่อให้มาหรือปู่ใหมาพ่อคารบบูชาเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดเวลานี้ลูกโตแล้วพ่อจะใหลูกไว้คุ้มครองตัวขอให้ตั้งใจประพฤติดีตั้งใจทำมาหากินและเก็บรักษาพระนี้ไว้ให้ดีจากนั้นลูกก็มอบให้ลูกของลูกต่อไปอีกพระหรือของดีนั้นก็จะสืบทอดกันไป ทั้งเป็นของที่หาได้ยากและสืบสายไปในวงตระกูลเท่าที่เล่ามานี้ทำให้มองเห็นความหมายอย่างไรบ้างแล้วลองนำมาเทียบกับสมัยปัจจุบันสิ่งที่ต้องการพูดในที่นี้ก็คือเราจะเห็นว่าการนับถือสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของขลังสมัยก่อนนั้นยังมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักตัวแกนที่ปรากฏเด่นชัดก็คือธรรมะหรือคาสอนศีลธรรม การทำความดีเว้นจากความชั่วอันนี้เป็นหลักส่วนของขลังศัยศาสตร์เป็นของที่พ่วงอยู่แอบอยู่และเป็นสื่อหรือเป็นสะพานทอดเปิดทางให้แก่ทำลักษณะสำคัญที่ควรสังเกตสามประการคือประการที่หนึ่งของขลังสึ่งศักดิ์สิทธิ์และศัยศาสตร์เหล่านี้พระสมัยก่อนท่านรู้ไว้มีไว้และให้เพื่ออะไรขอใช้คาว่า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 เพราะฉะนั้นพระของเราจึงต้องมีไว้บ้างบางองค์ต้องเป็นผู้ที่เก่งกว่าพวกหมอผีคุณสายเหล่านั้นแก่ทำได้ฉันก็ทำได้แต่ฉันทำในแง่ดีอย่างเดียวเป็นเรื่องคุณอย่างเดียวแก้ไขอย่างเดียวแก้ทำมาฉันแก้ได้ให้เก่งกว่าพวกผีสเหล่านั้นตามแนวที่ว่ามีฤทธ์ไว้ปราบฤทธิ์เพราะฉะนั้นมีเรื่องอะไร พอมาที่พระแล้วท่านปิดช่องให้เสร็จมาแล้วสบายใจไม่ต้องไปหาหมอผีอีกก็หมดเรื่องกันไปและยังสอนธรรมหรือหลักสีลธรรมขมวดท้ายไปด้วยจึงเป็นการปิดช่องความหวั่นใจให้แก่พุทธศาสนิกชนแต่ท่านใช้แค่เป็นเครื่องปิดช่องความหวั่นใจเท่านั้นข้าตท้นองคติที่ว่าเอาฤทธิ์ปราบฤทธิ์ปราบเสร็จแล้วก็เอาธรรมให้เพราะฉะนั้น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 ชนิดข้ามพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ทีเดียวเลยแต่ในหมู่ชาวบ้านก็ยังจะมีคนที่อ่อนกำลังใจอ่อนปัญญาที่ต้องปิดช่องหวนใจอยู่นั่นแหละเรื่องริเดตก็จึงยังมีอยู่เพียงแต่ว่าตัวพระเองจะต้องไม่เสียหลักริเดทจะต้องถูกมองเป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดและจะต้องเป็นเครื่องสื่อธรรมจะให้เด่นขึ้นมาบังธรรมไม่ได้เป็นอันขาดประการที่สองก็คือ พระเครื่องของกลังวัตถุมงคลเหล่านั้นสมัยก่อนไม่มีราคาไม่มีค่าเป็นเงินทองจะให้ก็ให้ยากอย่างที่ว่าเช่นให้ต่อเมื่อเห็นว่าประพฤติดีแล้วก็ให้เปราเปล่าข้อนี้มาเทียบกับปัจจุบันจะเห็นว่าเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้มีราคาเป็นเงินเป็นทองจนบางทีจะกลายเป็นสินค้าประการที่สามก็คือ เป็นสิ่งเรียกร้องข้อกำหนดทางศีลธรรมเวลาจะให้ท่านจะบอกว่าเธอต้องเว้นความชั่วอันนั้นต้องเว้นความชั่วอันนี้ต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีอย่างนั้นอย่างนั้นพระจึงจะคุ้มครองเมื่อประมาณห้าสิบปีมาแล้วที่อำเภอศรีประจัน์มีท่านขุนผู้หนึ่งเก่งมากในการปราบโจนชื่อขุนศรีประจัน์รักษาเรื่องลือกันว่า ท่านขุนมีของดีหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันวันหนึ่งท่านขุนศรีไปปราบโจนแต่ถูกยิงตายอ้าวทำไมละ่ะชาบ้านลือกันแซดว่าตอนนั้นไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นท่านขุนศรีโกรธโจนขึ้นมาก็เผลอไปด่าแม่โจนพอด่าแม่โจนปั๊บโจนยิงมาปังเดียวตายเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นตัวอย่าง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 มันวิ ป, ปรลาดคลาดเคลื่อนออกไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีสิ่งเหล่านี้ก็ควรจะมีให้ถูกต้องให้เดิหลักของโบราณอย่าไปดูถูกคนโบราณว่าไม่ได้ความนึกว่าท่านก็มีของขลังสิ่งศักดิกก์สิทธิ์ไสยศาสตร์แต่ที่จริงเราแพ้ท่านแน่นอนท่านมีหลักแต่เราไม่มีหลักเลยเราไม่สามารถ และไม่คิดจะใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นสื่อนำเข้าสู่ธรรมฝ่ายหนึ่งก็คิดจะหาลาบอีกฝ่ายหนึ่งก็หวังจะได้โชคลาบอยู่ใต้ครอบงำของระบบผลประโยชน์กันหมดถ้าหากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของครั้งเหล่านี้ยังเป็นเครื่องเรียกร้องข้อกำหนดทางศีลธรรมอยู่มันก็ยังมีคุณค่าทางพระพุทธศาสนาอยู่นอกจากนั้นยังเป็นสื่อนาหรือโยงเราเข้าสู่ธรรมะด้วย โดยเฉพาะในเวลาที่ท่านให้ของดีและท่านถือเป็นโอกาสที่จะสั่งสอนธรรมนั้นคนที่จะเอาของดีจะตั้งใจฟังธรรมที่ท่านสอนอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้สิ่งเหล่านี้ก็ควรจะต้องใช้ให้ถูกต้องที่ว่ามานี้เป็นเรื่องที่ขอนามาเล่าให้เห็นว่าสภาพความคลาดเคลื่อนทั้งจากหลักการของพระพุทธศาสนา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 สมัยนี้ก็มีของคลังต่างกันอย่างไรได้พูดมายืดยาวเนื่องจากเป็นเรื่องสาคัญจึงขอสรุปไปด้วยถ้าคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักไสยศาสตร์เป็นเพียงสิ่งพ่วงแฝงมาสังคมจะมีพฤติการดังนี้หนึ่งความนับถือหลักการของพระพุทธศาสนาและการสอนธรรมจะปรากฏเด่นเป็นพื้น ส่วนของคลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพใสจะมีเพียงพ่วงแฝงหรือแอบอยู่และใช้เพียงเป็นเครื่องปิดช่องความหวั่นใจทำนองคติเอาฤทธ์ไว้ปราบฤทธิ์ 2. การให้หรือการปฏิบัติเกี่ยวกับของคลังเป็นต้นนั้นจะเน้นที่การกํากับข้อปฏิบัติทางศีลธรรมหรือใช้เป็นสื่อสู่การสอนธรรม 3. ของขลังเป็นต้นเป็นของให้เปล่าไม่มีราคาเพราะเป็นสื่อคุณค่าทางนามธรรม 4. เป็นของให้ยากและหายากไม่เกลื่อนกลาบและผนวกอยู่กับคุณค่าทางจิตใจเช่นโยงไปถึงบรรพบุรุษบุปการีถ้าพฤติการเป็นไปในทางตรงข้ามจากนี้ก็แสดงว่า คนไทยนับถือศัยศาสตร์เป็นหลักพุทธศาสนาเป็นเพียงสิ่งประกอบเลื่อนลางอยู่คือ 1. การเชื่อถือปฏิบัติทางศัยศาสตร์และการหวังพึ่งอำนาจลี้ลับปรากฏเด่นเป็นพื้นในสังคมชาวพุธไม่รู้หลักการของพระพุทธศาสนาการสอนธรรมเพียงแอบแอบอยู่ 2. ของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของการสนองกิเลส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 เป็นของหาง่ายมีเกลื่อนกราดจนอาจกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ซื้อได้ด้วยเงินด้อยคุณค่าทางจิตใจอีกเรื่องหนึ่งการที่ต้องยอมรับความจริงว่าความเชื่อถือเกี่ยวกับอํานาจลี้ลับและหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไสเหล่านี้จะมีอยู่ต่อไปเพียงแต่ให้เป็นสิ่งแฝงแอบอยู่หรือเป็นเรื่องเบตต็ดเตล็ดโดยให้พระพุทธศาสนาเป็นหลักอยู่ก็ควรพอใจ